ณกรุงเวสาลีขอรับท่านพระมหากสปะถามว่าทารงปรารบใครท่านพระอุบาลีตอบว่าทารงปรารบภิกษุหลายรูปท่านพระมหากัสปะถามว่าเพราะเรื่องอะไรท่านพระอุบาลีตอบว่าเพราะพระกายมนุษย์จากนั้น